เวลาก่อนจะฉันอาหารในพระจะต้องปฏิสังขารเย็นเฉยว่ให้ชิ้แจงงานดูความสภาพที่ของอาหารที่เกี่ยกไปจากที่อยู่ในจานเข้าไปสู่ในปากเข้าไปสู่ในท้องเป็นอาหารใหม่เป็นอาหารเก่ามีสภาพก่างถ้าดูอย่างนี้แล้วความอยากอาหารนี่มันจะหายไปเช่นเวลาอดอาหารนี่ต้องใช่เพราะว่าเวลาอดอาหารนี่มัน จิตกระตุ้นถึงเรื่องอาหารเราก็ต้องเน้นถึงภาพของอาหารที่ที่แปลงสภาพไปเราอยา่าไปเน้กถึงภาพที่มันอยู่ในจานถ้าเน้กถึงภาพในจานแล้วน้นหลายไหลแต่ถ้าเถึงในภาพที่มันอยู่ในปากที่เคี้ยวแล้วหที่อยู่ในทอ้องหรื่ในลำไส้มันก็จะได้ไม่ไม่หยุว่าใจเราไปให้สัญญาความมาั่นหมายกับอาหารไม่เอง ตัวอาหารมันก็ยังเป็นอาหารเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมันเปลี่ย น, น, ปยนแป่สภาพไปตรนนีน้แต่มันก็ยังเป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นน้นอยลงแต่เราให้เราให้ความรู้สึกกับภาพสภาพของอาหารเราไี่ต่างกัน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 ไม่ได้รับประทานอาหารอย่างยากย็นรับประทานเพร่ะยากเย็ไม่ไม่มีข้อเข็อยากเมื่อไหร่ก็รับประทานได้นอนตื่นขึ้นมาเดือดเยังหาอะไรรับประทานต่อได้แต่ถ้าเป็นพระนี่จะฉันเพี่งเดียวสำหรับพระปฏิบัติฉันเพีงเดียวและระหว่าง น, นั้นก็จะไม่มีการฉันอาหาร จนกว่าจะถึงเวลาอีก24ชั่วโมงวันให้ฉันสมมติวันให้ฉัน8โมงเช้าก็ต้องรอถึงพรุ่งน้เวลา8โมงเช้าถึงได้ถึงจะได้ฉันอีกตอนบวใหม่ๆนี่มันจะยังไม่ฉีนมันเคยจิตมันเคยปรุงแต่งตามเวลามันเคยรับประทานตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นมันพอถึงเวลามันก็จะปรุงแต่งคิดถึงอาหาร ก็เลต้องใช้การพิจารณาสภาพของอาหารที่เป็นปฏิกูลมาดับความคิดปูงแต่งมันก็เป็นสังขารเหมือนกันสังขารอย่างหนึ่งก็ไปทางสัญหาคือไปทางการมักปัญหาสังขารอีกอย่างก็ไปทางมาักไปทางดับปัญหา พอเราคิดถึงสภาพของความไม่สวยงามของอาหารที่อยู่ในปากเราก็ดีอยู่ในท้องอยู่ในลำไส้ก็ดีหรือที่ออกมาแล้วก็ดีมันก็จะไม่คิดถึงเรื่องอยากจะรับประท า, านาหมีกรณีของไม่ชีคนหนึ่งที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอาหารปฏิกูลของอาหารนี้ จนถึงขั้นว่ารับประทานอาหารไม่ลงมองอาหารที่หลายมันกลาเนเหมือนกับทึ่อยู่ในโถชักโครกจนมีปัญหาเพราะร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารก็เลยใจกลางถามพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็เลยต้องแก้ให้ว่าถ้าพิจรารณาอย่างนี้มันมันเรอะฉลักดกันล้ หมาความว่ามันม่นกินยามากเกินไปยานี้มีคุณมีประโยชน์มากอย่างไรก็ตามถ้ารับประทานเกินขนาดที่ควรจะรับประทานมันก็จะเป็นภัยต่อร่างกายได้การพิจารณาคมฐานเช่นปฏิกูลอาหารก็เช่นเดียวกันพิจารณาเพื่อที่จะดับความอยากอาหารตามตัญหา แต่ถ้าไม่มีความอยากอาหารก็ไม่ควรที่จะพิจารณาแต่ถ้ามันติดกับนิสัยมันเห็นอาหารแล้วมันก็จะเห็นอย่างนั้นทันทีเห็นความไม่พอาดโปก่งทันทีท่านก็บอกให้พิจารณาว่าอาหารนี้ก็เป็นเพียงธาตุเหลินน้ําลงไปมาจากดินน้ําลงไปแล้วก็ร่างกายนี้ก็เป็นธาตุเหลนน้าลงไป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 พอปิยลายอย่างนั้นก็จะรับประทานอาหารได้เพราะผู้ที่ <c oughs> มีความรู้สึกขยะขยงไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นใจแต่ใจนี้ไม่ได้รับประทานอาหารเลยแม้แต่นิดเดียวดึง <c oughs> เ, เหมือนแม่ที่ป้อนอาหารให้ลูกให้ลูก ร, รับประทานแม่ไม่ได้รับประทานอาหารแต่แม่กลับไปมีความขยะขยง ไม่อยากจะรับประทานอาหารก็เมื่อแม่ไม่ได้รับประทานอาหารจะจะไปไปเป็นไปเป็นปัญหาแทนลูกพําันเมื่อลูกเขาไม่มีความขายะแขยงแม้แต่น้อยเขารับได้ทุกแบบอาหารทุกชนิดแบบไหนเขาก็รับประทานได้อาหารที่แม่ไม่ชอบลูกก็รับประทานได้อาหารที่แม่ชอบลูกก็รับประทานได้ใจก็เป็นหมือนแม่ ใจจะชอบอาหารหรือไม่ชอบอาหารร่างกายนี oh, re mm ้รับประทานรับได้หมดถ้าเป็นอาหารเพราะเป็นธาตุเหมือนกันพอพิจารณาว่ามันเป็นธาตุมันก็เลยรับประทานอาหารได้เป็นปกติกรรมฐานแต่ลักษณะนี้เขามีไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหาเป็นเหมือนยาที่มีไว้เพื่อรักษาโรค โรคของใจก็คือตัณหาการมะตัณหาเพราะตัณหาเพราวาตัณหาเชื่อโรคของใจก็ต้องใช้ยาธรรมะมาแก้เช่นอสุภะกรรมฐานดูความไม่สวยงามของร่างกายก็เพื่อที่จะแก้กามละตัณหาความอยากในการที่เห็นว่าร่างกายนี้สวยงามก็แก้ล ง, งไป เมื่อไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแก้กต่อไปสมมติว่าไม่มีการว่าปัญหาอยู่ในใจแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาอสุภะไม่ต้องพิจารณาปฏิกูลความเป็นปฏิปูลปฏิกูลของอาหารก็ู่ความเป็นอสุภะหรือความเป็นปฏิปุลของร่างกายก็ดีเพราะไม่มีความอยากในร่างกายเห็นก็เราก็รู้สึกเฉย นอกจากว่ามันยังมีปัญห า, าคืนค้นขึ้นมาอีกก็ต้องใช้ยานิเกนเข้าไปแต่เมื่อเรารู้จักใช้ยาแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามันเลือ ก, ก่กนดมีอารมณ์ขึ้นมาปั๊บเราก็นึกถึงอสุภะปั๊บมันก็ดับไปพร้อมๆกันมันก็มันก็ไม่มีทางที่จะกำเริบได้เพราะยาคือกรรมฐานอสุภะกรรมฐานเลืยา คุมคุมตัวกรารละปัญหานี้ได้ตลอดเวลาตัวราคาปัญหาได้ตลอเมื่ อ, อ, อ <c oughs> มันไม่มีราคาปัญหาแล้วก็ไม่มีคการเป็นไปที่จะต้องจเจรจา ส, สิภาษกรรมธารมะต่อไปธรรมะฐานที่เราใช้กันนี้ก็เพื่อเพื่อเพื่อดับกินดับปัญหา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 เป็นต้นเหตุของความทุกข์างเป็นเหมืองเชื้อโรคของร่างกายต้องรับประทานยายาก็คือสติสมาธิปัญญาสี่ทานอย่างนี้เป็นเครื่องมือเราต้องเข้าใจว่าหล่างนี้ไม่ใช่เป็นเป็น <c oughs> ผลที่เราต้องการโดยตรงเขาเป็นเครื่องมือแล้วเมื่อ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 หลังจากที่จิตของท่านบริสุทธิ์แล้วคือไม่ต้องรับประทานยาแล้วอยู่เฉยๆก็ได้อยู่แบบไม่มีสติสตังอยู่แบบไม่มีสมาธิอยู่แบบไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกับพวกเราที่ไม่เจ็บไข้ได้ผลที่อยู่โดยไม่ต้องมีเหตดมียาเราก็อยู่ได้ถ้าเราไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแล้วมียาเจ็บไม่ต้องเลยพอไปให้คนอื่นเขาใช้ดีกว่า บอาไปให้คนที่เขายังยังเก็บไข้ได้ปวดใช้เช่นเดียวกันการปฏิบัติของเราทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายเป็นเครื่องมือการเจริญสติการทําบุญให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเดินจงกรมพิจารณาเจาริญปัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือเท่านั้นเป็นธรรมโอษฐ เป็นยารักษาโรคใจตอนนี้เราต้องกินให้มากๆเจริญให้ลับล่าปฏิบัติให้มากๆเพราะเชื้อโรคมันยังมีอยู่ในใจยังมีการวัฏสารอยู่ยังมีภาวะวัฏสาอยู่ยังมีวิภวะวัฏสาอยู่แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วช่วงนี้มันค่อยๆหมดลอยหม ด, หมดไปจนในที่สุดมันไม่มีเหอเลยอยู่แล้วก็ไม่ต้องจะปปฏิบัติอะไร ไรู้จะกินยาไปทำไมกินไปมันก็ไม่ได้ทําให้เชื้อโรคมัน <c oughs> มันมันไปกระทบกระเทือนเชื้อโรคเพราะไม่มีเชื้อโรคที่จะรับการกระทบกระเทือนแล้วมันหายไปอย่างนี้ดังนั้น <c oughs> เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติของเรานี้เราปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสตัณหาทำลายความโลภความโกรธความหลงทำลาย การมตัญหาภาวะตัญหาที่ภาวะตัญห า, า, หาพอากิเลสตัญหาไม่มีรองรับ อ, อยู่ภายในใจแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไปการปฏิบัติของเรามันก็เป็นขั้นๆเมื่อเรารักษาโลคแห่งนได้แล้วเราก็ไม่ต้องรักษามันอีกต่อไป เราก็ต้องไปรักษาโรคที่เรายังเหลืออยู่ภานใจดังนตอนต้นเราก็รักษาเกี่ยวกับความอยากความหิวในอาหารเราก็จะรอนอาหารปติพูนแล้วอันยาเช่นเราเอาอาหารทั้งหมดมารวมใส่ในจานในภาชนะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของค่าวของหวานอาหารผลไม้เราก็อะไรที่จะเข้าไปอยู่ในท้อง ก็เอามาใส่ในภาชนะอันเดียวกันแล้วเดียวมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องคนอยู่ในท้องเราก็รวมมันในชามในภาชนะแล้วก็คนมันให้ไปเป็นแล้นก็มันอยู่ในท้องแล้วแล้วเรารับประทานถ้าเรารับประทานอย่างนี้มันจะไม่มีความไม่มีตัณหามันจะรับประทานเหมือนกับเรารับประทานยา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 เวลารารับประทานอาหารเราก็ควรจะรับประทานอาหารมันเรารับประทานยาเพื่อที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ได้เพื่อดับความหิวที่เกิดจากการถาดอาหารนี้นี่คือการรับประทานอาหารแบบธรรมะถ้ารับประทานอาหารแบบนี้ล้วจะจิตใจจะไม่มากังวลกับเรื่องอาหารอยารับประทานอาหารชนิดไหนดี อย่างนี้เป็นต้นรับประทานตามมีตามเกิดมีอะไรก็รับประทานไปแล้วเรื่องอาหารนี้ก็จะไม่มีปัญหาต่อไปจะถ้าไม่ชอบอาหารสมมุติเริ่มต้นใหม่ใหม่ไม่ชอบอาหารก็ไม่ต้องรับประทานเลถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องรับประทานพอไม่ได้รับประทานสักสองสามมือกเดียวมันอะไรก็ชอบไปหมดข้าวเปล่ า, าก็อร่อย ข้าวคุกน้ำปลาก็เอาร่อยนี่เป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเอาใจกิเล่มากเท่าไหร่มันยิ่งชั่วจี้จุกจิดมากขึ้นเท่านั้นลองเอาใจว่าอ่ะวันนี้ไม่ชอบนี้ชอบนี้ก็หายให้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้ชอบอย่างนั้นก็หายใินมันก็จะช่วจี้จุกจิดไปตลอดเวลาแล้วพอต้องรับประทานอาหารที่ไม่ชอบมันก็จะรับประทานไม่ลง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 กว่าไปมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารช น, นิด่างก็รับประทานได้พอเราหมดปัญหารเรื่องอาหารนีแล้วเราก็กลับมารับประทานได้อย่างปกติได้พอรับประทานอาหารในจานในจานในชาจะแยกกันอย่งายงคนมนุษย์ทั่วไปก็รับประทานก็รับประทานได้แต่ในจานมันไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายกับอาหารที่รับประทาน มีอะไรรับประทานเข้ไปเขารู้ว่าเดี๋ยวมก็เข้าไปรวมกันอยู่ในท้องดีหรือว่าเวลามันเข้าไปอยู่ในปากแล้วคลุกกับน้ําลายแล้วถูกเคี้ยวถูกบดแล้วเป็นอย่างไรมันก็จะไม่รู้สึกอะไรมันก็จะรู้สึกเฉยๆรับประทานไปเพื่อรักษาร่างกายให้ให้อยู่ไปได้วันๆอย่างนั้นเอง พอเราหมดปัญหานี้แล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลเราก็ก้าวไปหาก้าวไปหาปัญหาอันเองที่ยังเป็นปัญหาอยู่ถ้าเป็นเรื่องราคะปัญหาเราก็ต้องพิจารณาความความไม่สวยในงานอสุภะปฏิกรูลความสุขโภของร่างกายร่างกายมีสิ่งเจริญบคขับถ่ายออกมาตลอดเวลาตาม ทางทวารต่างๆมีแต่ที่ภาษาเราเรียกกันว่าเป็นมีแต่ขี้ออกมาทางตาก็เรียกขี้ตาออกมาทางจมูกก็เรียกขี้มูกออกมาทางคิ้วหนังก็ขี้นังนั่นมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นมันมีแต่ปฏิกูลทั้งนั้นเราต้องพิจนารณาอย่างนี้ไปแล้วเราก็จะได้เกิดความ ไม่ชอบร่างกายขึ้นมาก็พิจารณาเพื่อที่จะดับความค่ายความชอบเท่านั้นพอความค่ายความชอบหมดไปแล้วเราต้องไม่ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาเดี๋ยวเราอยู่กับร่างกายเราไม่ได้เดี๋ยวก็จะผ่านข่าร่างกาย ร, ร่างกายนี้จะปกหนุนอยู่ตลอดเวลาก็เดี๋ยวก็จะเกิดวิปัสสต์ขึ้นมาได้ ไม่อยู่กับคนอื่นไม่ได้ยังไม่เท่าไหร่แต่อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับร่างกายของตัวเองไม่ได้ต้องค่าร่างกายตรงนี้ก็แสดงว่ามันมันเกิดไปเราเราพิจารณาปฏิกริยานี้เลือกเลอกอสุภานี้ก็เพื่อที่จะตับความคราความยินดีทั้งเองเมื่อมันไม่มีแล้วเราก็หยุด แล้วก็อยู่นอย่างปนี่เพราะว่ามันไม่มีมันไม่เป็นปัญหาต่อไปเหมรับประทานยาหาจากโรคนี้แล้วก็หยุดยาไม่ได้แล้ว<ม> <c oughs> ก็ไปหาหายามารักษาโรคใหม่ต่อไปถ้ายังมีโรคกับเราอยู่เราก็ต้องหายามารักษาไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่มีอะไรน้องเหลืออยู่ ภายในในจิตในใจแล้วก็ไม่ไม่มีความจํำเป็นที่จะต้องรักษาต่อไปเองถ้าเรายังมีความรักตัวครัวใจอยู่เราก็ต้องพิจารณาความตายไปเรื่องแล้วเราก็ต้องเอาร่างกายนี้ไปไปทิ้งไว้ในที่ที่มันจะเสี่ยงต่อการตายแล้วก็ปลงมันเถอะปล่อยมันปล่อยวางปล่อยให้มันตายถ้าน มันจะตายได้มันตายแต่นี่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งมันเป็นเป็นยาเอกแบบนี้ในการปฏิบัติของเรา ม, มันมีปัญหาที่เราจะต้องแก้อยู่หลายหลายหลายขั้นหลายตอนด้วยกันเรื่องอาหารเรื่องร่างกายอสุภะความสวยความไม่สวยในงานเพื่อจะดับราคะ แล้วก็เรื่องความตายก็เพื่อจะดับความกาลัวตายเราก็นั่งให้มันเจ็บปวดแล้วก็ปล่อยให้ความเจ็บปวดนี้มันหายไปเองจะนั่งเฉยๆไ่ได้นั่งแล้วต้องพิจริตแยกแย ะ, แยะว่าความเจ็บปวดนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งร่างกายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งใจใจผู้รู้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน เขาแต่ละส่วนนี้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเือนกับศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาอย่างเป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแดดที่ส่องมาใส่ศาลานี้มันก็เป็นธรรมชาติอย่างคนที่อยู่ในศาลานี้ก็เป็นธรรมชาติอย่่เป็นคนละส่วนกันก็ต่างก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันไปของใครของมันกายก็ปล่อยให้ร่างกายเขาอยู่ไป เป็เวลานั่งแล้วก็ก็ปล่อยให้ร่างกายเขานั่งไปเวทน า, าเขาเกิดขึ้นมาก็ปล่อยให้เขาเกิดขึ้นไปใจผู้รู้ก็ก็รู้ไปรู้ว่าตอนนี้มีเวทนาเกิดขึ้นหรือว่าร่างกายนี้กำลังนั่งอยู่ก็ต่ามไปก็ต่างทำหน้าที่ของตามไปแยกแยกแยะกันไปถ้าทำานี้ถ้าแยกให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของขาโดยไม่มีใครมา มามาเกี่ยวข้องกันนะมันก็จะอยู่กันอย่างแข็นติสแต่ถ้าใจมีกิเลสมีความหลงมาหลอกให้ปุงแต่งว่าเวทน า, านี้เป็นเราร่างกายนี้เป็นเราความเจ็บนี้เรากำลังเจ็บร่างกายเจ็บเราเจ็ บ, จ บ, จบถ้าคิดอย่างนี้นาะมันก็จะอยู่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยเฉไม่ได้ แต่ถ้าพิจารณาแยกแยะว่าร่างกายเป็นเพียงยินน้ำนมใสร่างกายไม่รู้เรื่องของความเจ็บเหมือนกับตาลาหลังนี้เขาอยู่กางแดดกลางฝนมาตั้งนมนานเขาไม่รู้สึกอมีผลอะไรมีความปฏิกิริยาอะไรกับฝนกับแดดฝนตกเขาก็รับได้แดด อ, อกเขาก็รับได้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้จะเจ็บหรือไม่เจ็บ เขาก็เขาก็เป็นร่างกายเขาก็เป็นร่างกายเช่นเดิมเขาก็เป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเช่นเดิมเขาไม่ได้เป็นเวทนาเขาไม่รู้เรื่องเวทนาเรื่องความเจ็บปวดความเจ็บปวดเขาก็ไม่รู้เรื่องร่างกายเขาก็ไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องตัวเขาเองว่าเขาเจ็บมีใจเทนั้นที่รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้แต่ใจเป็นรู้แบบไม่จริงคือไปรู้ผิด ก็รู้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นใจพอมีความเจ็บเกิดขึ้นจากร่างกายใจก็เจ็บแทนร่างกายเจ็บจนทนอยู่ไม่ได้ที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บที่ทนไม่ได้ไม่ไม่ใช่เพราะทนความเจ็บไม่ได้แต่แต่ทนความทุกข์ใจไม่ได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บนี้มันหายไป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 พอเกิดทุกขเวทนาก็เกิดตัณหาขึ้นมาเกิดริภาวาตัณหาความอยากให้ให้ริให้ตัวนี้หนีไปหายไปจากนี้ไปจากให้ความเจ็บปวดอันนี้ด้วนความอยากให้ความเจ็บปวดนี้หายไปมันก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจความทุกข์ทรมาน ใ, นใจที่เจ็บปวดยิ่งกว่าความเจ็บปวดของของเวทนาที่เกิด ทำร่างกายถ้าเราสามารถแยกแยะได้แล้วทาใจให้นิ่งอยากตั้หาคือวิภวะทัณหาคือความกลัวความเจ็บหรือความอยากให้ความเจ็บนี่หายไปได้เจ็บก็ให้มันเจ็บไปนั่งรับรู้มันไปพอรับรู้ได้ต่างฝ่ายต่า ง, างใจยอมรับความจริงของร่างกายยอมรับความจริงของเวทนาว่าเขาเป็นอย่างนี้ร่างกายเขาก็เป็นอย่างนี้เขาก็นั่งของเขาไปได้เรื่อย ไม่เป็นปัญหาอเไรเวทนาเขาจะแสดงในรูปแบบไหนก็ปล่อยเขาแสดงไปรับได้ทุกรูปแบบจะเป็นทุกเวทนาก็ได้เป็นสุขเวทนาก็ได้ไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็ได้จนยาเราจะรับได้สองส่วนนั่นเองคือสุกเพระเวทนาก็ไม่สุขไม่ทุกเวทนาเดี๋ยวบางทีแ <im ม้แต่ไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็รับไม่ได้เช่น อยู่เฉยๆร่างการไม่เจ็บไม่ปวดแต่ไม่มีอะไรทำก็รู้สึกหมดหิ้งทานใจต้องหาอะไรมาให้ความสร้างสุขเวทนาขึ้นมา่ไปดูหนังหรือไปหาเครื่องดื่มมาดิมอย่างนี้ก็เพื่อที่จะต้องการสร้างสุขเวทนาขึ้นมาเราจรึงหีืปัญหาเพื่อมีความชอบในสุขเวทนาดโดยทาง โดยผ่านการหาความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสโหตระก็เลยเป็นการมัตตานาขึ้ น, นถ้าเราไม่มีความอยากในสุขเวทนาเราก็จะไม่มีความอยากในการมัตตานาการมัตตานาเราก็จะไม่ต้องหาเครื่องดื่มต่างๆมาดื่มระหว่างมือ้อจะจะรับประทานก็รับประทานของเดียวดื่มอะไรก็ดื่มในของเดียว จะดื่มน้ำชากาแฟจะรับประทานขนมนงเนยอะไรต่งางๆก็รับประทานไปทีเดียวพร้อมกับอาหารพอเสร็จแล้วทีนี้ก็ดื่มแต่ย่างปากนั้นก็ร่างกายต้องการย้างปากนั่นเองแล้วก็จะไม่รู้สึกหยุดนอนใจอย่างนๆไม่เปี้ยวปากไม่รู้สึกมันอะไรนะ ม, นมันขาดอะไรไปมันพวกเราขาดกัน เราต้องมีของพวกนี้อยู่ใกล้มีอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้อยู่ในลิ้นชักที่ทำงานอยู่ในกระเป๋าเนี่ยต้องมีอะไรคอยขอบคอยเที่ยวคอยดมคอยดื่มอันนี้เป็นตามาตหานี้เป็นความความความอยากในความสุขเวทนาเพราะเราไม่ปล่อยเวทนาให้เขาเป็นไปตาเมเรื่องของเขาเขาสุข ก็ปล่อยเขาสูญไปไม่ต้องไปยึดไปติดเวลาความสุขหายไปก็ไม่ต้องไปขวายคว้าหามันมาเมื่อสุขเวทนาหาไปมันก็เหลือแต่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่กับไม่สุขไม่ทุกข์ได้เนื่องจากไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนมาเป็นทุกขเวทนาเช่นนั่งนานๆแล้วก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ปล่อยมันเจ็บมั้นปวดไปหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็ปล่อยมันเจ็บไป รักษาได้ก็รักษาไปในขณะที่รักษาอยู่มันยังเจ็บอยู่ก็ไปไม่เจ็บไปไม่ได้จะทุกข์ทรมานใจเทําไหรักเวทนาได้ทั้งสามทั้งสามส่วนสุขเวทนาก็รับได้ทุกเวทนาก็รับได้ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาก็รับได้นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่มีด้วยกันทุกคน เราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆต้องพิจารณาดูเรื่อยๆในใจเราว่าเรามีปัญหาชนิดไหนเหลืออยู่เราก็ต้องแก้มันไปเรื่อยๆจนไม่มีปัญหาความอย่างชนิดใดเนลืออยู่เลยตอนนั้นปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไปเมื่อไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็อยู่อย่างสบายไม่ต้องแก้ปัญหาไม่มีปัญหาให้แก้ โลกภัยไข้เจ็บไม่มีแล้วก็ไม่ต้องรับประทานยาไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องให้ทานไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาไม่ต้องเจริญสติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีมันมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ใช้มันแบบ แต่เพื่อจะมารักษาหรือดับก่เลยดับตัญหาตอนนั้นมีอะไรให้ดับอย่างมันก็มีไว้ใช้งานทั่วไปเช่นเวลาสั่งสอนผู้อื่นก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจนาเหมือนกันเวลาทําภารกิจยูวลาร่างกายก็ต้องมีสติรับประทานอาหารก็ยังมีสติมีปัญญาอยู่ก็ยังใช้อยู่เหมือนกัน แต่ไม่ได้ใช้ไปในการดับเกลืไม่ได้ใช้ไปในการตัดรักษาโรคทํางานเชื่อโรคของใจไปอย่างใดใจก็ยังยังยังมีอยู่เช่นทางก็ยังทําอยู่เห็นใครเดือดร้อนเรามีอะไรพอจะสงเคราะห์ใครได้เราก็สงเคราะห์เขาไปศีลเราก็มีอยู่เราก็ไม่ได้จะหยิบยื่นับ ไม่อยากจะดุ ด, ดินใรเพราะไม่มีความอยากที่จะไปได้อะไรมาเมื่อไม่มีมมความอยากที่จะได้อะไรมามันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดุเดินผู้อื่นมันมีสิ่งแต่มนหาความว่ามันไม่ต้องเจริญสิ่มันไม่ต้องรักษาสิ่มันปัญหาที่ทำให้เราทำผิดสิ่งผิดธรรมนันก็คือตัวปัญหานี้เองโชที่เรนี้ ปัญหาที่ทําให้เรามีความตื่หนีมีความหวงอยแผลงก็คือตัวกิเลสนี่ที่เราทําทาง น, นี้ก็เพื่อตัดกิเลสตัวหวงอยแผลงตัวยึดติดในสมบัติเท่าของเงินทองต่างๆแต่เมื่อมันไม่มีแล้วเรามันเราจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้ก็ขว่ญยุ้ยไหวเฉยเฉยก็ได้มีสมบัติกิมากน้อยเพียงไร จะวางไว้เฉยๆแล้วจะเอาไปทําประโยชน์ก็ยากลากแต่ตําหรับคนที่ไม่มีความตัณหาแล้วก็ไม่ได้จะเก็บเอาไว้ทำอะไรก็เอาไปส่งข่าวโลกเอาไปทําประโยชน์ให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งนัแต่ไม่ได้ทําเพื่อตักกิเลยไม่ได้ทําเพื่อตักความตัณหาไม่ได้ตักอุปทานทําเพื่อตักอุปาาทป า, านมันไม่มีจะให้ตัก การนั่งสมาธิก็ไม่ได้ทําเพื่อมารับความทุ้งซ่านการเจริญสติก็ไม่ได้ทำเพื่ อ, เ, เ, พอเพื่อการไม่มีสติเพื่อการดับความไม่มีสติมันมีสติอยู่ตลอลเดเวลาโดยธรรมชาติไม่ต้องตั้งเพราะสตินี้มันไม่หายไปไหนมันไม่เจริญรับเสืเ่อนของปุถุชนถ้าไม่ตั้งพอเถิดตั้งมันก็ใจลอยไปล้วไม่มีสติ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 ดังนั้นการปฏิบัติหรือการเดินจงกรมนั่งสมาธิของพระขีณาสุขของข้าพเจ้าของร่านหลังาศาสาโลกเนียนท่านทําเพื่อความอยู่อสบายของสังขารร่างกายที่มากกว่าร่างกายนั่งมากๆมันก็เมื่อยกลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมเดินเปลี่ยนอิริยาบถไปบางทีทํางานมากมๆใช้สังขารมา ก, มากๆเพื่อหยุดมันสักพักนี้งก็เข้าสมาธิตอนพักผิดนัน แต่ไม่ได้ไปรับความฟุ้งซ่านอะไไม่นั่งก็ได้นอนแทะนอนเลยก็ได้พ<ม>อเบื่อทำงานเสร็จเองคิดมากก็หยุดคิดนอนเลยพอนอนตั้งมาไเรื่องหน่สามนี่ก็หายใจ<ม>นี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติ<ม>ดีตรงที่ว่ามันมีวันสิ้นสุด ง, งานนี้ไม่ต้องทำไปตลอดในงานทางโลก บางคนเกษียนอายุแล้วยังหางานใหม่ทําต่อเพราะกิเลสไม่ยอมให้หยุดปัญหาไม่ยอมให้หยุดอยู่เฉยๆแล้วมันลําคานใจมันเคยทําอะไรอยู่เป็นประจำแล้วพอมันไม่ได้ทําแล้วมันรู้สึกว้าวเว ร, รู้สึกหงุดหงิดลําคานใจก็ต้องหางานใหม่มาทำทําไปจนกว่าจะไม่สามารถทําได้แล้วถึงจะต้องหยุด แต่งานทางธรรมนีเมือ่อเมื่อได้รักษาใจให้หายจากโรคแล้วเมื่อได้ทำลายกิเลสตันหาให้หมดไปจากใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องทำากต่อไว่าสบายตลอดเวลาถ้ายังอยู่ก็ดูแลรักษาร่างการนี้ไปทั้เอง แล้วถ้ามีโอกาสที่จะอบรมสั่งสอนใครด้านก็อบรมสั่งสอนไปนแต่ผู้ที่อยู่ในสภาพนี้จะไม่มีความอยากสอนใครมันไม่มีความอยากเพรามันตัดความอยากหมดแล้วมันจะเป็นมันจะมีความอยากอ ย, กอยู่แม้ท่านอจะความอยากจะสอนคนอื่นก็ไม่มีเพราะมิจฉาจากําจับจมูกซะท่านก็ไม่อยากจะสอนใคร แต่ถ้ามีมีเหตุมีปัใจจัยให้สอนท่านก็สอนได้ท่านมีคนสนใจมามาศึกษาอย่างนี้ก็สอนแต่จะไม่ไปประกาศตัวนว่าเราเป็นจากาดนะาเหมือนกับไปติดโฆษณาไว้ตามสถานที่ต่างๆว่าใครอยากเรียนปฏิบัติธรรมก็มาหาเรานะเราจะสอนให้อย่างนี้ไม่มี แต่ถ้าเขาอยากจะมาเองก็ ก, ก็ดูว่าเขามีศรัทธาจริงหรือไม่เขามีเขามีความสามารถที่จะรับคําสอนนี้ไปปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าเขามีก็ยินดีที่จะสอนแต่ถ้าสอนไปแล้วเหมือนกับเทน้ําใส่หนังสุนัขอย่างนี้ก็ไม่สอนเสียเวลาเสียดายนะก็เทเข้าไปเท่าไหร่ คนนักมันก็สลับที่สอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าไปในใจสอนเข้าหูซ้ายออกหูขวาีานี้สอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสอนไปกี่ครั้งก็กลับมาถามปัญหาอันเดิมนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เอาไปปฏิบัติจริงแต่ถ้าถามปัญหาวันนี้แล้วคามหน้ามาถามปัญหาอีกอย่างนึ่ปัญหาที่ที่ถามไปนั้นแก้ได้แล้ว อย่างนี้ก็แสดงว่าเอได้ผลได้ปรยชนอย่างนี้ก็น่าสอนตอบแต่กลับมาที่ไรก็สอนถามเรื่องเดิมอยู่นะสวรรค์อยู่ี่ไหนลลองานโลกอยู่ที่ไหนถามอยู่เรื่อยสวรรค์มีจริงหรือเปล่าต้องไปเย็นเดียหรือไม่ไปดี <c oughs> ถ้าผู้ปฏิบัติจริงเราจะรู้ว่าอินเดียรมันไม่ได้อยู่ตรงไหนอินเดียรมันไม่อยู่ตรงนี้แหละ อยู่ที่ใจเราเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหน่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเขาพูดก็ทำก็ส่งไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราผู้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจาตหกผู้ที่เห็นจนคน ก, ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือผสมเนี่ยและการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็ต้องปฏิบัติที่แล้วต้องปฏิบัติที่ใจมันไม่ได้ปฏิบัติที่อินเดียไม่ได้ปฏิบตัติอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติได้ถ้าอยู่ที่อินเดียก็ปฏิบัติที่อินเดียถ้าอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติตรงนั้นแหละนอกจากว่าที่ตรงนั้นมันมันไม่จับปายะเท่านั้นเองมันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติไอ้อย่างนี้ถึงต้องหาที่การหาที่นี้ไม่ได้หาที่เพื่อ เพื่อทำให้เกิดอะไรเพราะคิดว่าที่ตรงนั้นมีมรรคผลนิพานและคิดว่าที่ตํานั้นมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสองฆ์อยู่อันนั้นไม่ใช่เป็นการหาที่การหาที่เจ้าหาที่ที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติให้ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในใจเราเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นที่สงบสนัดนิเวศตามป่าตามเขา หรที่ที่เราต้องไปพิสูจน์ธรรมะอย่างนี้เราก็ต้องไปเช่นเราอยากจะไปพิสูจน์ความกลัวความกล้าว่าเรามีหรือไม่ยังมียังหมดหรืความกลัวตายยังมีอยู่หรือเปล่าก็อยากต้องก็ต้องไปหาที่ที่มันท้าทายต่อความตาเพื่อเราจะได้พิสูจน์ว่าเราเราละความกลัวต า, านี้ได้นี่อย่างนี้ก็ต้องไปหาที่ แต่ทั้งหมดนี้ที่นั้นเป็นเพียงเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นชนวนเท่านั้นเองเป็นเหตุที่จะทําให้ปัญหาที่ภายในใจนี้มันเดืดไปทั้งหมดนี้อยู่ในใจเราหมดไม่ว่านารกหรือสวรรค์มรรคขอนิพพานอยู่ในใจเรานี่หมดใจเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาทุกวันนี้เรากําลังสร้างพบต่างๆ ด้วยการกระทาของเราถ้าเราทำบาปด้วยความโลภเราก็กำลังสร้างเกเขึ้นมาในใจเราถ้าเราสร้างถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบามเราก็กำลังสร้างอารลณกขึ้นมาถ้าเราทำบุญด้วยความเมตตากสน่หเราก็กำลังสร้างเทพขึ้นมาถ้าเรากำลังสร้างความสงบให้กับจิตเราก็กำลังสร้างพรมขึ้นมาในจิตของเรา ถ้าเรากำลังสร้างาสร้างปัญญาพิจารณาาจรักแล้วก็กรองอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราก็กกำลังสร้างพระอริยเ้าขึ้นาในจิตขอ ง, งเราจิตของเราเนี่แหละที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพของกรรมที่ทำมาเพราะฉะนั้นวัตตวงวัตตะแง ส, สายที่เรียกว่า ไายกายภพเนี่ยก็เป็นจิตทั้งนั้นจิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาอย่างพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็แต่ละคนก็สร้างเม่นเหมือนกันบางคนก็กําลังสร้างการมาภพ บ, บางคนก็กําลังสร้างารูปภพ บ, บางคนก็กําลังสร้างมรรคผลมิตานแล้วแต่ละคนจะอยู่ที่การกระทําคือกรรมเนี่ยกรรมเรากําลังสร้างภพต่างๆขึ้นมาภายในใจของเรา ใ จ, ใจของเราจะเป็นภกชนิดไหนก็อยู่ที่ที่กรรมคือการกระทําของเราใจของเราจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็อยู่ที่การกระทําของเราดัางที่ในป า, าลีที่แสดงไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจาแนกแยกสัตว์เนี่ยก็กรรมนี่แหละทําอะไรก็จะเป็นสัตว์ชนิดนั้นทําบาปเพราะความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตทำบาปเพราะความราคะปัญญาบายก็จะเป็นนรก ทำบุญด้วยความเมตตากรุณาก็จะเป็นเทพทำจิตให้สงบ ด, ด้วยสมาธิอย่างนี้ก็จะเป็นรเรเจริญปัญญาพิจารณาใจแล้วก็จะเป็นพระอาริยเจ้ามันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่ที่กรรมคือการกระทําของพวกเราตอนนี้พวกเรากําลังมาทําส่วนที่ดีทายเสียนี่ก็จะทําให้เราเป็นเทพ นั่งสมาธิก็จะเป็นภูมถ้าจเจริญปัญญาทรงตัดกิเลสได้ตัดปัญหาได้ก็จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นมรรคเป็นผลเป็นวิปัสสนาอยู่ที่ตัวเรานะั้นอยู่ที่กายวาจาใจนี่เองหรือจะว่าอยู่ที่ใจดวงเดียวก็ได้เพราะว่ากายวาจาก็เป็นเพียงเครื่องมือของใจนี้เองถ้าไม่มีใจแล้วกายวาจาก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนคนตาย ไม่สามารถพูดอะไรได้ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่มีใจเป็นผู้สั่งาการดังนั้นกรรมที่แท้จริงผู้ที่ทำกรรมที่แท้จริงก็มีใจดเงอย่างนี้ใจเป็นผู้กระทังและใจเป็นผู้รับผห็นใจเป็นผู้สร้างสร้างโลกต่างๆขึ้นมาสร้างสวรรค์สร้างนารกสร้างภพสร้างภูมิต่างๆขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดนี้เอง ถ้าใจเราได้รับการได้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องใจของเราก็จะสร้างพบชาติที่ดีให้กับเราถ้าใจเราได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะทําให้ใจเราไปสร้างพบชาติที่ไม่ดีให้กับเราพวกที่มีความหลงมากๆนี่แสดงว่าได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องพวกที่คิดว่าราบโยชนสันสุขนี้คือ คือคือสิ่งที่ดีนี่ก็แสดงว่าหลงนะเมื่อเราไปหลงกับลาบกภยศและสันสุขเราก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมเพราะมันได้มาเท่าไหร่มันจะไม่พอ <c oughs> ได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วถ้ามีวิธีไหนที่ทำให้ได้เพิ่มมาก็จะทำ <c oughs> แต่จะต้องทำบาพเพื่อจะให้ได้มาก็จะทำ มันก็มันก็เลยต้องไปสร้างสร้างพบที่ไม่ดีให้กับใจแต่ถ้ามีข้อมูลที่ถูกต้องว่าราบยศนรสนสุดนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับจิตใจสิ่งที่ดีสาหรับจิตใจก็คือทานสิงภาวนานอย่นี้เราก็มามาสร้างทานสิงภาวนานเราก็จะได้สร้างพบชาติที่ดีให้กับใจ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 ที่จะพาให้เราไปพัฒนาหรือทรรจิตใจของเราให้เสื่อมถึงถึงขีดที่ต่าสุดคือหารวศเป็นผู้ที่ทำบาบทำกรรมฆ่าผู้อื่นก็ต้องไป็นมารวศเพนาะงั้นถือว่าพวกเรามีบุญมีวาสนาที่ได้มาเจอพบข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่ถูกต้องพวกเราก็ควรที่จะเชื่อในข้อมูลแบบนี้แล้วควรจะทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจทั้งรางทั้งหมดนี้ปฏิบัติตามข้อมูลที่ถูกต้องนี้ก็คือเจริญให้มากในมรรคนี้เองมรรคต้องเจริญให้มากก็คือเจริญทางเจริญเสียเจริญภาวนา ทำแค่นี้เองสามข้อนี้เองทำไมจะทําไม่ได้ทําไปเลยต่อไปบ้านไปดูเปิดบัญชีดูแล้วมีเดือนเท่าไหร่พอหรือยังถ้าพอแล้วก็ออกจากงานมาปฏิบัติธรรมดยสักามานักษาศีลมาภาวนาดูสักจะไปหาใหมา่ทำไมมันไม่ได้ทําให้เราจเจริญขึ้นแต่มันจะฉุดลากให้เราลมต่ําถ้าเราไปยึดติด ก, กับ นาายศจันทเสญจสุดทางโลกนี่ก็ไม่กลัว ทำอะไรสอบสร้าบ้นประกอสร้างหรือบ้านเองเมื่อก่อนนี้ไม่สางกันอยู่ได้เพราะว่างก็ต้อมาสร้างบ้านจริงๆทานไม่สร้างเรินใจทางน้านมันยังอยู่ได้ก็อยู่ต่อไปได้อยู่ไม่ได่ก็ตีนตายละแต่เรือนใจนี่ยังไม่มีเดี๋ยวก็ต้องไปท่อง ท, ท่องอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ถ้าสร้างินใจแล้วก็มีที่อยู่แล้วสบายไม่ต้องไปไหนขาดอะไรขาดศรัทธาศราัทธาก็มีขาดวิริยะความเพียรความเพียรก็ต้องฝุกึมันว่ า, า, าชีวิตเราสร้างเรสร้างงระ เวลาเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่จะสร้างแรงจังของเรา น, น, นี่น้อยลงไปเรื่อยๆต้องตรวจต้องตรวจคุณวิยาาทยะการภ่าเรียนให้เกิดขึ้นเลืดูศึกษาที่วัดประวัตของพระอ น, นุญาะสองท่าน ไม่ง้ถ้าเราไม่คิดไปในทางนี้มันก็จะมีเรื่องราวต่างกรรมาหลอกมาล่อให้เราเข้ากระติดทาอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนตานที่เราเริ่มศึกษาใ ห, หม่ๆแล้วอัานหนังสื อ, อยู่เกือบสามเดือนะอ่านเรื่องนั่งสมาธินี่ยแต่ยังไม่ได้นั่งสักครั้งหนึ่งไม่อยู่วันหนึ่งก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ได้นั่งสักทีพอได้สติาน็นั่งเลยนั่งมันตอนนั้นเลย พอได้สติแต่ว่าเราศึกษาเรื่องนั่งสมาธิมาต้องงานแล้วนะแต่ยังไม่เคยนั่งเลยอ่ะก็าเลยเอามาตรงนั้นเลยพอคิดได้ครับตองนั้นก็เอามาตรงนั้นเลยมันถึงเป็นที่จุดของการเริ่มต้นของการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วไม่เริ่มปฏิบัติมันก็จะไม่ปฏิบัติอย่างนี้มันก็มีเรื่องนูนเรื่องนี้มาคอยหลอกมาล่อเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีขอขัดบางไปเรื่อยๆเดี๋ยวขออาทิตย์หน้เดี๋ยวขอเดือนหน้าเดี๋ยวให้เสร็จเรื่องนี้ก่อน เดี๋ยวมีปัญหานี้องแก้ก่อนมันก็มีเรื่องอยู่นด้วยอย่างพ่กเราเนี่ยมาเรียนกันตั้งเกือบหปีแล้ว น, นะไปปฏิบัติกันนี่เพื่อสักกี่วันเคยประเมินยู่งงงบ้างไหมแม้ก็ะทั่มาบวดแล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นมาหลอกมาร่อให้ไปทำอยางน้ อย่างพระอนุนี้ท่านถึงแม้ท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็ยังเต็ดอยู่ตรงนั้นะถึง25ปีเพราะก็มีเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ต้องค อ, อยประถางแต่พอทึ้งพระพุทธเจ้าไปเพียงสามเดือนก็บรรลุแล้วจบงานงานเหลือแค่สามเดือนแต่ปล่อยที่ไว้ต้อง25ปีนี่มองไปในทางมรรค่ยแต่ในมองในทางโลกก็ดีหรอกที่ท่านเสียสละ ที่คอยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะท่านมีความจําที่ดีถ้าทำประรเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เท่าอานุจําไม่ได้จำ ม, ม่นดีแต่ไม่ดีกับตัวท่านเองไม่ดีกับใจของท่านเรีอกว่าอาจจะเป็นกรรมของท่านที่ท่านอาจจะต้องบําเพ็ญ แ, แบบนี้ไปก่อนคือต้องต้องฟังเทศฟทํารรมไปนานๆก่อนยี่สิบห้าปีก่อ ถราเป็งค่อยออกปฏิบัติพวกเราเรายังก็องไหาครูอาจารย์กันหยเรื่งงองนี้ต่ฟังองนั้นอยู่ฟังองนี้อยู่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติตะกีมันอยู่ที่ตัวปฏิบัตินะปริญญาจำเพีงส่วนหนึ่งทั้งเองแต่ตัวสําคัญอยู่ที่ปฏิบัติแต่ก็ต้องอาศัยปริญญา แต่ปริญาณนี้กับปฏิบัตินี้มันสามารถไปพบคู่กันได้ไม่ใช่ปริญาณอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งให้ปฏิบัติเป็นเหมือนกับไม่มีใครเลี้ยงดูเลไม่มีใครดูแ ล, ไ ม, มแลไม่มีใครสนใจมันต้องไปด้วยกันทางเทศทางธรรมไปแล้วก็กลับไปบ้านแล้ววันนี้ก็ไปนั่งเลยปล่อยให้มันเจ็บให้มันปวดไปเลยหรือ่อนเอ๊เนี่ยไอ้อสุภะไม่ดูเลย บางทีเอาไปแล้วทิ้งใหเป็นเดือนนังมีงคนไม่ไมกล้าเปิดกลัวแต่ถ้าดูในแง่เนื้อสัตว์มันก็มาสัจอะก็ดู <c oughs> ว่ามันเป็นาธาตุว่ามันเป็นเหมือนกับร่างกายที่เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวนี้เราใจานี้ดันตุ๊กตาตัวนี้มาเล่นเห็นได้ว่าใจนี้เป็นหลงคิดว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็น ตัวมันของตุกตาตัวนี้เป็นอะไรขึ้นมาก็ตกใจที่ตายคือตัวที่ตกใจไม่ได้ตายใจไม่ได้ตา ย, จาตายเจ้าของตุกตาไม่ได้ตายตัวตุกตามันตายพอมีตุก ต, ตามันก็ไม่ตายแต่ไม่อยู่ทำงานนังเสื่อมเหมือนกับรถที่มันเสื่อรถมันไม่สามารถทํางานได้แล้วทานั้นเองร่างกายที่เวลาตายก็แสดงว่ามัน มันเสียมันทํางานไม่ได้มันซ่อมไม่ได้มันมีแต่จะต้องคายปล่อยให้มันเน่าเปื่อยไปเท่านั้นเองกลับเป็นสูงสภาพเดิมของเขาดูอย่างนี้ก็ได้ดูร่างกายว่าเป็นธาตุสิหรือว่าเป็นเป็นตุกตาตัวนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็เหมือนกันเนะันะน้านะั้นส่วนสาถาหน้าผ้านี้เป็นสูงสุด ร่างกายตคนนี้เราผมเรียกว่าเป็ น, นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นพันเลยงใจก็เป็นทุกขาตาจุนที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นที่สุดถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเวลาเขาแก่เขาเจ็บเ้าตายเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราต้องมองอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาที่ เขาตายไปเราก็จะไม่เสียหนักเราจะรู้ทันรู้ทันความหลงความจริงเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ใจเราไม่จริงถ้าเขาได้ใจเราไปหลงกับเขาใจเราไม่อยากให้เขาแก่เขาเจ็ บ, เ ข, เ, บเขาตายจากเราไปไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาของเราหรืตุ๊กตาของท่านอื่นเราก็อยากจะให้อยู่ไปานานๆใจมันตื่นไปไม่ได้ ตามหลักความจริงมันต้องมันต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายตาในที่สุดถ้าเรามองเห็นว่าเป็นเพียงตุ๊กตาตันึ่งเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหแก้วใบนแก้วแต่แล้วเราก็เจ็บเอาไปเทใส่ถังขยะนะเรื่องแม่ของหลวงตาหลังจากเขาตกแต่ที่นั้วท่านก็เอาเศษตะดกเสร็จที่เท้าระดูใต้ต้นผงก็เป็นดินแล้วเราเป็เคืยสุดดี เรียบร้อยนะเผาบ่ายเผากลาวัวนพอรุ่งเช้าคือเผาที่หน้าสาราเนี่ยหลนะักสาราที่ภายในวัดสร้างตั้งสร้างเรไม่ไม่ได้ก่อบเนะเอาพื้นมาก่องให้เรนแล้วก็เอารวงศพไปตั้งไว้แล้วพอถึงเวลาก็จุดไฟเผงพอตอนเด็กพอไฟไหม้หมดแล้วเขาก็กรยเขาก็เจ็บเ็ยทีททททยต่ต้องคิดเท้าไปโดยใต้ต้นโทนในวัด ตอนเช้าลงพทามาทีศาลาไม่มีอะไรเหลืออยู่เลไม่มีข้างเหลืออยู่เลยเรียบร้อยหมดอมตอนต้นท่านจะให้เทาวันที่สี่หนึ่งเดี๋ยวตอนเช้าท่านจะให้ให้เผาตอนบ่ายพี่ญาติพี่น้องขอขออนุญาตให้เก็บไว้สักคจะได้บอกญาติพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ที่กาจ่จนบุรีมาล่วงงานสัตย์ันก็เลยเก็บไว้คืน เก็บไว้ก็ไม่ได้มีการสุ ด, สสดมสร้างสดไม้ทู่เสทิมใอยากจะมาว้ยก็มาว่าแต่ไม่มีพระมาร้างสดกุศลาไม่มีอะไรกรงนี้เวลาเผาก็ถอนจะเผาก็นิมนต์พระครูบาอาจารย์ิดรูปมาบังสกุลเันเองไม่มีกุศลาไม่มีอะไรกุศลาคือความเลาิ การจรจาก็คือเนี่ยต้องพิจารณาว่ามันจป็นเพียงตุกตาตัวนี้เป็นดินน้ำลมฝันที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทําตอนที่มันยังไม่ตายตายไปแล้วไปกุศลอะไรไปกุศลากับอะไรกุศลาร่วกุศลากับตัวเราเนี่ยหละครับคนที่ยังอยู่คนที่อยู่เนี่ยต้องกุศลาเป็นนิมนต์พระมากุศลาระทำเลยพระท่านก็ต้องกุศลาตัวขอ ง, องร่างกายของท่านเอง พวกเราก็ต้องกดชะลาร่างกายของเราจะต้องสร้างความชลายให้แก่ใจของเราให้รู้ทันธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นเพลิงดินน้าำฝนฝันเป็นอาการสารสิบสองมาจากดินน้าำฝนฝันแล้วก็มีอายุขัยมีขอบมีเคต้องแก่ต้องเจ็บต้อ ง, องาตายก็มีทางเล่แล้วการทําทบางสุ่นจริงๆแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นใช่ไหมคะ บางสกุลในสมัยอดีตนั่นแปลว่าเป็นการไปเก็บผ้าที่กัทิ้งในป่าเพราะสมัยก่อนไม่มีใครถวายผ้าผืนให้กับพระสมัยที่พระศาสนาเริ่มต้นใหม่ๆพระต้องหาผ้ากันเองหาผ้ามาเย็บเป็นชีวร<ๆ>ก็ไปหาผ้าที่กัทิ้งในป่าช้า<ๆ>ก็เลยเรียกว่าตองสกุลเราก็เลยเอาธรรมเนียมนี้มาใช้กับซากศพเนี่ยตับคนตาย เวลาคนตายเราก็นิมนต์พระมาบางสกุลมาถวายผ้าให้กับท่านซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับคนตายเพราะไม่เกี่ยวในเรื่องของผ้าตัางหากเรื่องของให้พระมีผ้าชีวางม่นุ่มหคนที่ทําก็เพียงแต่คนทําก็ได้บุญเป็นทางเป็นทานบุญวัตถุทานแต่คนตายไม่ได้อะไรเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรนอกจากว่าบุญที่เราอุทิศให้กับเขาเท่านั้นเองส่วนนั่งเขาก็ได้ถ้าเขาเป็นเปลื แต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทพไอบุญอุที่นี้ก็ไม่มีความหมายในสำหรับเขาเพราะบุญอุที่นี้เป็นเนงินเพียงค่ารถเทนั้นเองที่จะพาให้เขาไปสู่อีกคพหนึ่นงชการการทาบุญอุที่นีก้ก็ไม่จำเป็นต้องทําพิธีการอะไรเลยนี่ถือเป็การตั้งจิตของเราสง่งให้ท่านั้นเองก็เท่านั้นแหละเวลาเราให้ทานถวายของแล้วเราก็เอาอทิศไปในจิตของเราเขา เขาคิดบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้นั้นผู้นี้นที่ร่วมรับไปแล้วถ้าอยู่ในสภาพหรือกําลังรอรับส่วนบุญส่วนนี้อยู่ก็ขอให้มารับไปได้เลยถ้าเราไม่รู้ทิศถึงแม้เขาะจะรอรับอยู่เขาก็รับไม่ได้เห <c oughs> มือนกับเราเงเช่นเร า, เเเราไม่เราไม่แฉกชื่อเขา อ, อย่างนี้น <c oughs> เขาก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขึ้นเงินได้สำหรับตรกุลนี้พราะแค่เรื่องส่วน เรื่อง ส, ส่วนนี่มัเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องจัดฉากเป็นเรื่องการ <c oughs> พิธกรรม อ, อผักชีโรยหน้าอะไ น, นีน้ส่วนไม่ส่วนไม่ ส, มสาคัญมันอยู่ที่การกระทําของของใจเท่นั้นเองทำบุญให้คนตายส่วนทำบุญซ้ะ ถ้าสวดนานขึ้นเด็กคนตายจะได้บุญมากขึ้นนะเจ็กวันแค่เด็กเป็นสาวห้<ร>าก็ <c oughs> เรากินข้าวมื้อเดียวเนะี่ยจะกินสาจานแล้วสิบจานมันก็อิ่เหมือนกันนะีมันก็กินได้เท่านั้นฮนะแต่มันก็มีท้องอยู่ขนาดนั้นเนี่ยจะทำหนึ่งร้อยวันสิบวันจำมากขนาดนะั้นมันก็รับได้เทนะ่านั้นอ่ะมันจะรับมากกวนะ่านั้นไม่ได้สถานะข้าของเขาเขารับได้เท่นั้นเอง เหมือลูกเราเนี่ยเราจะให้เงินเ้าร้อยล้านพันล้านเนี่ยให้ไปทำํำไรเขาก็เอาไปใช้หลายไม่ได้เราก็ให้เท่าที่เขาจําเป็นที่จะร้องรับให้ค่าขนมไปโรงเรียนเงินแต่ละวันเขาก็พอใจละเขาก็แฮปปี้ละให้เขาไปร้อยล้านเขาก็ไม่นึกจะไปทําอะไรเพราะฉะนั้นาการทําบุญในที่นี้มันมันก็ได้เท่งนั้นแหละจะทํำกี่วันกี่คืนผู้รับ ก, ก็จะได้ตามตาม ตามความตามฐานะของเขาเขาก็ได้รับเท่นเองแต่พูดที่ทําเนี่ยได้ที่ทํากันสัญญานี้เป็นการหลอกคนที่มีชีวิตอยู่นี้ให้ทํานกันเพราะถ้าไม่มีคนตายก็ไม่ยอมทํากันเพราะอยน่นจะไปเที่ยวกันจะมากกว่าอถึงไม่มีคนตายนี่ป่านนี้ก็ไปยุโอหลกกันแล้วนแต่เขาโกงกันแล้วในชะ่ไหมแต่พอดีมีคนตายเขาเลยต้องไปไม่ได้แล้วต้องมาทําันเองก่อนมันเป็นบาปสอนคนเป็น หลอกคนเป็นให้คนเป็นได้มีโอกาสได้ทำบุญบ้างไม่อย่างนั้นก็จะไม่ทำกันจะทำบาปกันจ ะ, จะสะสมกิเลสกันม่าอย่างั้ะไม่ใช่บาปหรอการไปเที่ยวก็ไม่บาปแต่มันก็ไม่ใช่บุญมันเป็นการสะสมกิเลสที่จะพาให้เราไปทำบาปได้ต่อไปมันเป็นอบายมุกการเที่ยวกลางคืนอย่างนีน้เป็นอบายมุก เช่นที่นักปราชญ์หรือปัจฉบุญเราเขามีวันประเพณีสําคัญสำคัญนี้ก็เพื่อดึงพวกเรามาหยุดหยุดหยุดสร้างกิเลสกันสังวันหนึ่งแล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลกันบ้างเช่นวันมาทะบูชาวันวิสาขะวันอาสารหาูิชาเนี่ก็เป็นการที่จะหลอกล่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาทําบุญกันเราไม่มีเหตุแล้วไม่ยอมทํำจะเที่ยวกันอย่างเดียว จะหาแต่าทางสุดทางตาหูจมูกนิ้ว ก, กันอย่างเดียวล้วพอตายไปมันก็ไปแบบไปไปเนี่ยก็ต้องมารอให้คนอื่นเขามาอุทิศบุนให้กับเราเพราะขณะมีชีวิตอยู่เราก็มีแต่ความประมาทไม่เคยไม่เคยคิดถึงเรื่องของจิตใจคิดแต่เรื่องของกิเลสอย่างเดียว คนชนอย่างนในโลานี้ก่อนมานี้ก็ทําเพื่อกามทั้งนั้นทําเพื่อกิเลสทั้งนี้นกามไม่กิเลสไปเที่ยวอันนี้ก็เรื่องของกิเลสไปยืนไปรับประทานก็เป็นเรื่องของกิเลสมีใครไปเข้าานั่งสมาพุธกันบ้างมีน้อยมากเพราะฉะนั้นบุญทุกชนิดนี้ความจริง ที่ทําวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อผู้อื่นทำเพื่อเราแต่อาศัยผู้อื่นมาเป็นเหตุให้เราได้ทำเช่วันตายของพ่อแมอ่ก็ทําให้พ่อแม่แต่นเรียนทำให้เราเราได้ทําำงานบวชของลู ก, กเราก็จะได้เข้าวัดถ้าลูกไม่บวยก็ไม่เคยเข้าวัดคนบางคนไม่เคยเข้าวัดนะแต่พอลูกบวชก็เข้าทุกวันเลยบวชลูกบวช กระ t h อลูกเสกไปก็หายไปเลยพี่ทำงานบวาดีวันนี้พี่ทมงานมาทำบุญให้แม่ดี น, น, น, นั่นแหละถ้าไม่มีเห็นก็จะไม่มาใช่ไหมต้อนเรียมันต้องทำทุกวันทำทุกเวลานาที คือทานนี้ก็ทําไปตามตามเวลาของมันเช่นถ้ามีพระเดินผ่านบ้านเราเช้า ว, วันเราก็พักบาตรถ้าไม่มีพระเราต้องมงนที่จะซื้อหาวิถีใส่นในกระปุกกระป๋องวว้ก็ได้ในเวลาเราไปวัดเราก็ไปถวายวัดอย่นี้ก็เราก็จะได้ธรรมดีทุกวันสินเราก็รักษาไปตลอดเวลาระยะกี่ข้อก็ขึ้นแค่แต่ความสามารถได้มากก็ได้อยู่มากรักษาได้มากก็ได้อยู่มากภาวนาก็ ภาวนาไปตามเวลาที่เราเราว่างตรงไหนแล้วก็หาโมงสงบแล้วก็นั่งภาวนาคือทา ง, งานก็ได้วาเครื่องบินก็ได้เวลาทํางานเสร็จแล้ ว, ว, างงาลวก็มีนั่งหลับตาพุทโธพุทโงแล้วไปก็ได้ในขณะที่ไม่นั่งเราก็จะแรงติตควบคุมจิตให้อยู่กับงานที่เรากาลังทําอยู่อย่าปล่อยให้จิตคิดปรงแต่กไปกับการทํา ง, งานของเรา บางทีจะทางานไปตะบ่นไปว่าผู้โดยสารไปตอะนั้นอย่างนั้นครนี้อย่างนี้ทําังไงอย่างนี้โสุโทนเพราะจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขามันเป็นธรรมดาคนในโลกนี้ไม่ต้องมีนี้เถ้าเรารู้จากปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติได้ตลอดเวลาเราสร้างบุญสร้างกุศลได้ตลอดเวลา ไม่จารอให้มีเหตุการณ์วันสําคัญเช่นวันมาฆะวันวิสาขะล้วท่านมาทําบุญกนะันทําอย่างนี้มันก็มันก็ตายถ้าต้นไม้ก็รอรด น, น้ำเดียวถงจะลดตน้นลดน้ําม่ได้สีมันจะเจริญเติบโตได้อย่างไงเนี่ยเนืองจากที่เราเป็นบุตรคนกันมานมนานก็เพราะเราทําบุญกันแบบนี้ยเราไม่มีทางที่จะโผลขึ้นไปเป็นพระอริยะได้เลยถ้าทําแบบนี้ เราอยากจะเป็นท่า อ, รอยรายนี่มต้องทำอย่างต่อเนื่องทำทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่การงานเรืออยู่ในสภาพตามลำพังก็ตามทำได้หมดต้องทำอย่างนีง้เสร็จมันจะเยอได้เป็นท่า อ, รอาร้ยได้มันจะได้บรรลุภายในเจ็บวันเจ็บปีได้แต่ถ้ารอวันเกิดหรือวันตายของใครสักทีแล้วค่อยมาทำเนี่ยโอย <laughs> โดนโน่งติดน่ส้นที่เยนะบาดีถ้าม่มประเด็นมันก็ไม่มีเรื่องไม่พูดนะมันก็ไม่มีุดธรรมะออกมาสอนอย่างนี้พอมันมีพูดพอ ย, وم, ย وم อมยอมยาเมื่อครับเรียกมันจะมีธรรมะกลับไปอกเพยมคิดไปทางนอกธรรมะมันจะหนึบทางวันนี้ก็ได้หลายอย่างนะ เรื่องเรื่องทำบุญทำได้ตลอดเวลาอย่ารอเวลาอย่างที่ท่านสอนให้ถามตัวเราเรื่อยๆว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่ เ, เ, วยเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังสร้างบ้านหรือกําลังสร้างเงินจ่าทุากอนยะ่างเลยทอย่างกําลังเจริญสุภาพกรรมฐานหรือเปล่ากำลั ง, จลงเจริญอ่อ อาหารเลยปฏิกริ ญ, ญาหรือเปล่ากำลังพิจารณาความตาอยู่หรือเปล่านี่แหละคือธรรมะที่เราควรที่จะเจริญอยู่อือแนธรรมะก็มีหลายระดับอย่ า, ยาไปติดอยู่ที่ระดับทางระดับเดียวทาแต่ทานอย่างเดียวศีลก็ไม่ค่อยสนใจสติก็ไม่ค่อยเจริญปัญญาก็ไม่ค่อยเจริญสมาธิก็ไม่ค่อยนั่งกัน เพราะว่าเรายังอยู่หากกลมากเลยถ้าเราทำแต่ทางอย่างเดียวก็เหมือนยังอยู่ชั้นประถมนะนะหรืออนุบาลยังไม่ยอมขยับขึ้นชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษากันคกูจะขยับได้แล้วเนี่ยเยมันต้องห้าปีแล้วเดี๋ยวจะหมดอักสูตรแล้วนะเกือบสองปยก็หมดแล้วครบเจ็ปีนะ ถ้าหมดเจ็ปีก็ต้องไล่ออกจากเรียนเลยเหมือนท้าไปอยู่มกับลุงจานี่พ็อยู่ถึงระยะหนึ่งท่านจะไล่ออกนะท่านจะว่าหมดละวส่ดให้คนอื่นเขาเข้ามาเรียนได้นะ อ, อยู่ไปก็เกิดกะก็อหมักใหม่ค่ะต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่เป่ชื่อเปียนหน้าตาใหม่ แต่สมัยก่อนที่บาอาจารย์ก็อยู่นานนั่นเองสิบี่สิบปีมั้งใช่บางองค์นะผมอาจารย์ท่านใจเห็นอยู่ท่านท่านเพาะท่านมีหน้าที่หรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าจะอยู่แบบเรียนอย่างเดียวนี่หลปู่มานี่ท่านให้อยู่แค่พัรษาเดียวท่านก็มย่างนี้ะท่าไม่อยู่กับที่อ่ะถ้าที่จะไปศึกษากับท่านสมัยที่ท่านอยู่เชียงใหม่นี่ก็จะได้อยู่กับท่านก็ช่วงที่ท่านอยู่จำพรรษาท่านนเอ พอท่านอต่อรรษาแล้วถ้ากครมาเกาะติดกับท่านครับท่านจะปิดที่เวศทันทีอพอใครมันเจอท่านทับท่านก็จะเปิดที่เมศทันทีแต่พอเข้าพรษามันติ็ดไม่ได้ต้องอยู่จําที่ก็เลยใครไปเจอท่านจังก่อนเข้าภรษาก็โชคดีก็จะได้อยู่จํารรษาพระท่านสามเดือนอ ม, มาตอนหลังตอนปลชีวิตของท่านตอนที่ท่านรับในมนต์มมขับมาโปรดเนี่ย บบนกสิงพ์กหาทางพาดีสาเนี่ยท่านถึนอนอยอยองอยู่เป็นพื้นยังมีภาพเนี่ยเยอะกว่าท่านได้ได้งานหมดแต่ครูอาจารย์ท่านจะพิจรารณาดูเลยว่าอยู่นานพอหรือยังศึกษามานานพอหรือยังควรที่จะขยัดพลังไปได้ไหรือยังท่านก็จะดู แต่ก็มีบางคนที่ท่านก็เมตตาเพราะว่าอย่างท่านตัญญาที่จะให้ท่านไปไหนทานก็ไปไหนไม่ได้ท่านก็อายุของท่านก็มากแล้วก็ท่านก็มีโรคประจามตัวก็ตายไม่ได้อย่างท่านเชอรี่ก็ตาไม่ได้ท่าก็ต้องอยู่ที่วัดต่างๆไปเรื่อยๆแต่พวกที่มีความสามารถที่จะไปอยู่ที่อื่นได้ท่านก็จะระบายไปเรื่อยๆ อันนี้ท่านอาจจะทำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าท่านก็ต้องท่านมีกำลังวังชาอนี้ก่อนการสมาธิท่านมีกาลังวังชาเนี้ท่านจะรู้รู้จักพระท่านรู้ว่าอยู่นานไมนานควรจะอยู่ไม่ควรจะไป อยากได้เงินละคนเกษตรงตอนนี้ถึงปีดีเดินเที่ยวไม่ได้มาอันนี้จะเจอโคเซอร์ที่แรกอันนี้ถือเป็นเงินที่ดีเลย เ น, นื่องจากโยมไม่ได้พักอีกนี่ก็ไม่เป็นไรแล้วจะมาเท่าไหร่ก็มาได้ไม่ติดปัญหาอะไรแต่คู่นี้เป็นครูเชิญสอนนั้นว่ามันควรจะรู้ฐานะของตัวเองไม่ใช่ยืนอยู่กับที่มันไม่ใช่เดินอยู่กับทีม่มันต้องมันต้อมีกากล้าวหน้า ถ้าพอใจอยู่กับที่ก็ไม่ว่าอะแต่น่าจะปิดวิเวกไปเยู่ที่ไหนแล้วน่าจะบวชได้แล้วอะไรนี้แสดงว่าคนสอนยังไม่มีความสามารถพ <c oughs> <c oughs> อนูจะโน้มนาวให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเกิดศรัทธาที่จะ ตอบจากเพศของคารวาข้าสึกเพศของนักบวชไม่ว่าเป็นพวกบวใต้้ําบวช <c oughs> บวเาที่ส <c oughs> <c oughs> ี่ม <c oughs> ีสองประเด็นอยู่ที่คนสอนมีความสามารถเรื่องยู่พวกนักศึก ษ, ษาเป็นเป็นพวกเหลาที่สี่บวชเรล่าที่สีจ แต่พวกที่จะออกบวชได้นี่ก็เปียบเหมือนกับพวกเขาวัวตัวหนึ่งก็มีแค่สองเขาแต่พวกที่ยังออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกับพวกขนวัวตัวยังมีเป็นนับเป็นร้อย <c oughs> ก็ดูแต <mak lar> ่นักบวชนักปฏิบัติจริงๆมีมากน้อยอคะไรในประเทศเราเนี่ยมีปรชากรต้องหกสิบเจ็ดสิบล้านคนก็เหมือนกับเก็เหมือนกับเขาวัวเขาควายเหมนพวกที่ไม่บวชนี่อ้โหเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆนะ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 ศีลรักษาได้กี่ขอ้อได้รักษาเพิ่มขึ้นได้กี่ขอ้อพยายามรักษาไปภ mm hmm. าวนาได้มากเท่าไหรก็พยายามเพิ่มภาวนาไปก็ mm hmm. ต้องทําเป็นข้างเป็นตอนไป mm hmm. ทําได้ถ้าเราถ้าเราตั้งใจจะทำํำจริง mm hmm. แต่ถ้าเรายังรักพี่เสียด้น้องอยู่มันก็ลําบาก ทางโลกก็ยังรัก ย, ยังเสียดายอยู่ทางธรรมก็อยากจะได้มันก็จะไปไม่ถึงไหนคนบางคนก็มีโอกาสดีกว่าคนอื่นคนอื่นอยากจะไปบางทีก็ไปไม่ได้เพราะมีบ่วงหลายบ่วงด้วยกัน หลวงสามีหลวงลูกหลางภรยาหลวงพ่อหลวงแม่บางคนก็มีหวงน้อยมีโอกาสไปได้ง่ายกว่าแต่ก็ต้องตัดสินใจว่าจะตัดมันหรไม่ตัดถ้าไม่ตัดสินใจมันก็มันก็มันก็ไม่ปต้องใจกล้าๆแล้วตัดไปเลย ดงพระพุทเจ้าเป็นตัวอย่างดครูบาอาจางยต่างๆเป็นตัวอย่าท่านก็เป็นเหมือนเราเมื่อก่นท่านก็มีบ่วงที่นิดต่างๆพระพุทธเจ้าท่านก็มีบวงพ่อมีบวงภรรยาพอจะมีบ่วงที่สามมาท่านก็ไม่เอาละไปเลย มันีพูดเรื่องหนักๆเลยนะพูดเรื่องกิเลสเนี่ยคนมันก็ชอบฟังนะพูดเรื่องตัดกิเลสตัดปัญหานี่ไม่ชอบฟัดนชอบฟังเรื่องเรื่องสวรรค์เรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องอะไรชอบพอต้องพูดถึงเรื่องเชียนเรื่องตัวเองแล้ว การนี้เราคือการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือการเฉือนตัวเราเองเฉือนเนื้อตัวเราเองตัดที่เลยนมันก็ตัดเนื้อเราเองมันเ็ยากมนชอบปฏิบัติไม่ง่าย ชอบปฏิบัติแล้วแต่ยังรักจิกจิตจิตฤทธิ์จิตฤทธิ์ไม่ได้เ <curric> ป <ula> ็นนั่งนั่งนั่งสมาธิได้แต่ไปเที่ยวได้ใช่ไหมแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วเป็นห้ามไม่ให้ไปเที่ยวด้วยนี้ไม่เอาแต่จะนั่งสมาธิมาให้ได้ผลดีมันก็ต้องมีอ่อเขาเรียกอินทร์สังวรมันก็ต้องตัดกรรมว่าฉันทายัดรูปถึงกินก็เกิดอะครับ ให้จิตเข้าข้างในถ้าจิตออกข้างนอกมันจะสงบได้อย่างไรจิตมันต้องเข้าข้างในมันถึงจะสงบได้มันจะเข้าข้างในมันก็ต้องจับรู้สังเิตว่ามันต้องติดทวารทั้งห้าติดตาหูจมูกเส้นกายมันถึงจะเข้าข้างในได้มันจะนั่สมาธิการแต่นั่งแล้มันไม่ได้ผลนั่งแล้วหลับกันถ้านั่งได้ผลแล้วมันจะต้องมันจะต้องไปได้กัน ถ้านั่งมากี่ปีกี่ปีก็นั่งเหมือนเดิมนีแ้แสดงว่ามันนั่งไม่ได้ผลถ้านั่งแล้ลวจิตรวมลงนี่มันจะอัศจรรย์ใจเพรามันจะมีสันทัศนียะที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นที่จะตัดการมาชันทาให้มากขึ้นถ้ามีถ้าจิตรวมลวงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเหือยไปเพราะมันจะได้สัมขัสกัน ความสุขที่เหนือกว่าความสุข ท, ท, ทางกามบรรลุทางทางการบรรลทางการมาสันทัสเมื่อมันมีสิ่งที่ดีกว่าเหมือนเราได้รถที่ดีกว่าเคยขับรถยี่ห้อนี้แล้วต่อมาได้รถที่ยี่ห้อดีกว่าเนี่ยเราจะขับรถคันเก่าไหมใช่ไหมเราก็ไม่ขับเคยขับตโตโยตา้าแล้วอยู่ๆได้เบนซ์มาเนี่ยยังจะไปขับตโตโยตาย้าหรือเป่าจะเอาเบนซ์จอดแล้วจะลงรถหรือเป่า เราก็จะขับเบ้นอย่างเดียวนี่ก็เหมือนกันพอได้พอจิตรวม ล, ลงแล้วเนี่ยทีนี้มันไม่เอาแล้ว Led ล่ะรูปสิงกิริย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะเอาแต่จิตรวม ล, ลงอย่างนีมันจะหาที่สงบถนัดที่เมตาภาวนาทำจิตให้มันรวมลงไม่ได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่ได้อนี้แล้วมันก็ยังไปไม่ได้โตต้าไดยังดี ดีกว่าดอนตั้งใจแลที่กับคนเบเที่ยวไหวมากเลยนะคะไปต่างประเทศปีหลายครั้งก็เขปฏิบัติจริงๆอันนี้มันขัดกันไหมครับก็ยังมันมันปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรปฏิบัติไปเป็นกิริยามากกว่าไม่ได้เนื้อไม่ได้หนังได้แต่ท่าของการปฏิบัติแต่ไม่ได้ผลจริงๆหรอกถ้าได้ผลจริงๆแล้วมันต้อง มันจะมันจะเบื่อทางโลกเลยท่านในพูดว่ารถแข่งทาช น, นะรถทั้งปวงถ้าได้สัมผัสกับรถแข่งทาแล้วมันจะไม่เอาแล้วละรถอย่างเดียเหมือนก้อนหินกับเพชรอย่างนี้พอได้เจอเพชรแล้วจะไปเอาก้อนหินนะ่ โดไปเที่ยวนีไมันเหนื่อยจะตายเลยดูนั่งสมาธิจิตลมนี้ไม่เหนื่อยไม่ต้องไปทำพาสปอร์ไต ไ, ไม่ต้องไปทําวีซ่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปปีตัวไปไปวุ่นวายกับไปรอที่สนามบินไปรอขึ้น <c oughs> เครื่องเรื่องราวมากมายการก่อน <c oughs> พอไปถึงก็ปปเหนื่อยแล้วอยากจะกลับบ้านนะ <c oughs> ไปอยู่ได้ไม่กี่วันก็คิดถึงบ้านนะไปอยู่ที่อื่นที่ไหนจะสบายเทาอยู่ที่บ้านเราใช่ไหม จากกิเลยมันจะหลอกเราวาดภาพโอ้สนุกสวยงามอย่างนู้นอย่างนี้เราไปให้ได้พอไปแล้วก็อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านพอมีของดีในใจแล้วไม่ต้องไปไหนมันอยู่กับเราและส บ, บายอยู่ตรงไหนก็ก็มีความสุขกัน ที่เราต้องไปนี้มาเนี้เพราะามันไม่มีความจุขข้างในมันมีแต่ไฟอยู่ข้างในไฟแห่งกามะกามราคะราคะโทสะโมหันทั้งเรือง ไ, ไฟราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะที่มันเผาใจของเราให้ร้อนทาให้มันอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาหาลูกหาตี๋หากลิ่นหาฤกษมาดับมันแต่นั้นมันดับดับเอาน้ํา เอาน้ำมันไปลาดในในกองไฟน้ำมเวลาเราลาดไปใหม่ใหม่ันก็น้ำมันมันยังเย็นอยู่มันก็เป็นเหมือนน้ำไฟมันก็ทำท่าจะดับอยู่แต่พอน้ำมันมันเริ่มร้อนแะนี้มันยี่งมลุกแรงขึ้นเังนันถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขที่น้าที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าสองให้เรา ให้เรามีกันนี้เราก็ต้องตัดให้ได้ตัดความสิทภายนอกพยายามสร้างความสุทธิภายในให้ได้สัจใจสำคัญที่สุดก็คือตัวสตินี่ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยถ้าเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องแล้วในสติปัฏฐานนี่นก็สแสดงไว้แล้วภายในเจ็ดมันี้ได้ด้วยถ้ามีสติถ้าแต่ตื่นมาจนหลับจิตไม่ไปไหนเลยอยู่ในปัจจุบันตลอด อยนี้แล้วเวลานั่งดูรงหายใจมันก็จะไม่ไปที่มันก็จะมีความเมหายใจมันก็จะรวมรวมเพราะรวมรวมมันก็ถนัดมันก็เจอความสุขแพอมันรวมได้ครั้งมันต่อไปมันก็จะทําได้เรื่อยๆเพราะมันจับประเด็นได้ละมันรู้วิธีละว่อรับรองได้ตอนนั้นจะไม่อยากจะอยู่กับใครละมีอะไรก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ อยากจะมีเวลาเพื่อปฏิบัติอย่างเดียวอยากจะมีที่ที่สงบไม่มไวุ่นวายไม่ยุ่งกับใครเราก็นั่งมันทั้งวันทั้งหลับกับเดินนั่งไม่ได้ก็นอนนอนเมื่อก็กลับมานั่งแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากสมาธิแล้วทีนี้ก็จะเริ่มเดินจะเดินอนิจจังทุกขังของนัตตาแล้พิจารณารูกเสียงเกิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาพิจารณาว่า ขัห้าคือรูปเวทนาจัญญาสังขานเป็นเป็นอนิจจังทุกข์ันหน้าตาที่จัญญาจิตว่าเป็นอนิจจังอนิจจังทุกขันหน้าตามันก็จะขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปแล้วในที่สุดมันก็ปล่อยวางได้หดปล่อยภายนอ ก, ก็ภายใน ก, ก็ปล่อยขันก็ปล่อยขันห้าก็ปล่อยจิตก็ปล่อยเมื่อปล่อยหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือก็มหลือแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียว งานก็เสร็จทีนี้ก็อยู่ตรงไหน mm hmm. เวลาไหนมันก็อิ่มมันก็สุดมันก็พ อ, อตลอดเวลา mm hmm. มันเป็นจิตที่รวมอยู่ตลอดเวลาจิตที่รวมจากการนั่งสมาธินี้มันมันรวมได้เดียวเดียวแล้วเดียวมันก็ถอนออกมาเหมือน น, า น, านเข้าไปแช่ในตู้อย่น็นแล้วห้านาทีเราก็ต้องเอาออกมาจากตู้น้ํานที่อยู่ในตู้มันก็เย็นพอออกมาเดียวเดียวมันก็ร้อน แต่ถ้าเป็นจิตพรยสุดธิ์นี่มันก็อยู่น้ำอยู่ในตู้ตลอดเวลาเย็นตลอดเวละตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดจะมีร่างกายนี้ไม่มีร่างกายที่ก็ไม่ไม่ไปเปลี่ยนแปลความเย็นของจิตที่บริสุทธิ์จะเย็นไปตลอดไปจิตนี้จะไม่ไปไม่ออกจากตู้เย็นนะจะอยู่ในตู้เย็นก็คือพระนิพานไปตลอด ถึงแม้จะอยู่กับขันก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ขันความร้อนของขันก็จะไม่มากระทบกระเทือนกับความเย็นของจริงที่ลอยก็อยู่กันไปดูแลกันไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดปวดตรงนี้ปวดตรง น, น, ตนี้ก็รู้ว่ามันปวดแต่ใ จ, จไม่ร้อนตามไม่เจ็บตามความเจ็บของร่างกายอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะมันจะหมดไป แล้วก็จะไม่ไปหาร่างกายใหม่มาแบกอีกมาเจ็บอีกพอแล้วถึงถึงเมืองพอแล้วพอทุกอย่างไม่ต้องการอะไรอีกแล้วพอเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วจะจะเติม น, น้งเข้าไปอีกนี้ก็ไม่ได้ทำให้มีน้ำในแก้วนมากขึ้นแต่ก่อนนั่น มันก็มีเท่านั้นหละมันรักได้เท่านั้นมันเต็มที่จิต<ม> ท, ที่บรยสุทธก็เป็นอย่างนั้น ม, มันมีทางสุทแิ์เต็ที่อยู่ตลอดเวลาไม่พร่องไม่หมดไป<ม>เออไม่ต้องเติมไม่ต้องทำลายนะสบาย<ม>อันนี้เป็นรางวัลนะที่พวกเราจะได้รับ <laughs> ทุกคนมีสิทธิ์นะไม่ต้องจับฉลาก <laughs> ต้องสุขปฏิปันโนท่งนนี่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีแค่นี้เงื่อนไขสั้นๆสําบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำใด้ <c oughs> ที่ยังมีผู้ปฏิบัติทําสมควรแก่ทำอยู่ตามนั้นป้า อ, อาหารจะไม่ทิ้งไปจากโลกป้ออาหลานก็เคยจิตที่บริสุทธินี้ อยู่ตรงนี้อยู่ที่สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนปฏิบัติดีก็คือไม่หนีเรียนถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่อ้างโูตอ้างอยู่นี่เรียกว่าไม่ไม่ปฏิบัติดีครับปฏิบัติดีต้องถ้าทั้งถ้าเรียนหนังสือก็ต้องได้ได้เต็มร้อยถึงจะปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงก็ปฏิบัติเพื่อเพื่อเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อจับกิเลสบางคนปฏิบัติเพื่อให้ร่ำให้รวยก็มีทาบุญทำทานเพื่ออยากจะรวยในภาคหน้าเพื่ออยากจะไปเกิดเป็นเทศเป็นธงอันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติตรงไม่ได้ตรงต่อมรักผลนิพพานยลายะล้วปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นเองไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อจักความทุกข์เท่านั้นสามมิจิก็ปฏิบัติ ชอบก็หมายถึงว่าปฏิบัติถูกต้องไม่ผิดจากจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็มีสีประการนี้แล้ววิธีที่เราเจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสีประการนีไ้ได้ก็คือต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์เป็วิธีที่ง่ายที่สุดเพราะท่านผ่าน ม, มาแล้วท่านรู้ทุกอย่างท่านรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกที่ผิดเป็นยังไง แล้วท่านจะคัดออกไปหมดในวิธีที่ผิดวิธีที่ไม่ท่อในหลักธรรมนี่ท่านจะช่วยคัดให้เราเหมอเอยู่กับท่านเราไม่ต้องมามามาสงสัยมาจังกังวลว่าถูกหรือไม่ถูกอยาการการปฏิบัติของท่านถูกต้องทุกประการเลยถ้าเราปฏิบัติเองเนี่เราจะหลงได้เราจะเราจะปฏิบัติเพียงหรือผิดไปได้ มีคูบาอาจารย์เนี่ยมีความสำคัญอย่างนี้ทำให้เราปฏิบัติตรงเลยไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าเราปฏิบัติเองบางทีเราก็ปฏิบัตถถบิถูกบ้างผิดบ้างเสีเวลาและถ้าดีไม่ดี <c oughs> ก็อาจจะลองทางมปเลยทั้น ครั้นี้อาจจะเป็นชาติเดียวนะที่เราจะได้มาพบกับโอกาสอย่างนี้ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จตมันไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีอย่างนี้เหลืออยู่ให้เรารู้จะมีดีกว่า น, นี้ก็คือมาเกิดแล้วมาเจอพระพุจ้าซึ่งโอกาสนี้มันมีม่งยากยิก่กว่าไปซื้อวอัตถุเรืถึงว่าถุเรื่องราวัลที่หนึ่ ง, ย, งยังย่อมถึงว่าโอกาสนี้ที่เรามีอยูน่นี้มันเลิอกที่สุดแล้วมันพิเศษที่สุดถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ก็อยู่จากทาง ทางการปฏิบัติอย่างนี้นแล้วก็เสดงว่าศีลธารเกิดเลยหยิ่งยงลองไปพิจารณาดูายไปแล้วไม่รู้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้หนือยแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้ว่าจะมีกุูบาอาจารย์รู้หรืออยู่กรือเปล่พยายามปลุก ศ ร, ร to to ัทธาฉันทะวิริยะนมีพยายามช่วยสูงลงเลยกำนักเราคอเท้าตันนี่เราปลกแม่แ็นด้ไงกันไม่รู้ริ่เครียดเลยพยายามสลุกเอาแล้วน่างามาขอก่อน ก็บาดใจมากแต่นี่ไม่เป็นเรือพ่วงอะเป็นเรือเครื่องอะเรือขับเองได้ไม่ก็ให้คนอื่นลากมาดีดีนี่ยังมีเลิกเลย ถ้าใครองการอะไรากใครก็ได้คือถ้าใจายังไม่แข็งท้อก็อย่าทิ้งดูนะอันนี้ต้องวิมาพิบัติงจะจะดูได้เพอาะงคนบอกดูว่ามันเกิดอาการที่ไม่ดีมันเขาบอกจะอ้วกนี้อยางเง้ยาจิตยังอ่อนมาก อ่อนไวต่ออารมณ์ต่อรูปที่เห็นถ้ามีสมุทรล้วต้องมีสมาธิต่อถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วี่เอียกมันยังมีกวาหังมากแต่พอมันมีทั้งผ่านรับรู้กับรูปกับราเนี่นก็จะมีอารมณ์มีกฏิกิรยาต่อรูป <Okay. Okay. S 1> อ้ไรอะไรอืน ลุงตายลุงายค่ะเนี่ยก็จะเป็นว่านครใครเลยเพศของลุงายมีแผ่นขอลุงตายนะแผ่นใหญ่ด้วยนี่ของแผ่นค่ะแต่รงนี้ยังยงไม่ ก็แแต่สรุปเมื่อไหนก็บวชแต่เขาบวชกาหนดแล้วค่เป็นวันที่สิบสี่เมษาค่ะสิบสิบเลยสิบิงสามก็อย่ที่เราเราเราท้องเ่ก็บวชาไม่ถ้าไม่้อที่นี่เขาก็มีบวชอยู่คีอยเป็นระยะยะเมษาไม่ได้เขาเาจะาไปแล้วแลาแล้วค่ะ้วันที่สิบแอย่าไปทางานตามที่มาบวชก็แล้วกันไม่ด้ทำบวชแล้วก็ไปดูงานไม่ไม่กลั ผมพาเราอย่างไปดูไปอุดรไปดูแบบไปทำอะไรแล้วระหว่างาาาช่วงนั้นจะให้ทะเลมาแทนค่ะทะเลมันคือถ้าเวลาบวชแล้วก็ขอให้กลับงานทางโลกปาปให้หมดเะก็มาบวชเพื่อที่จะได้ทุ้มใจเวลาปลอการภาวนาถ้าย่งนัก็อย่าไปบวชเสียเวลาหรอกค่ะเดี๋ยวเปื่อบวชไม่ตึกอย่างที่อยู่กับท่าอาจารย์ท่านเป็นทานายมาก่อนนี่ เราได้ามาบวชคนก็ยังเอาเรื่องให้ท่านมาทําเรื่องธนายท่านจชาติท่านเคยเจอท่านอยู่เจ <c oughs> อน่าเคยมาหาเคยคุยกันตอนนั้นที่ท่านมาหาแล้วก็บอกท่านเลยว่า ร, ระวังเรื่องงานทางอื่นห <c oughs> ลัวบวชนี่งานของเราถ้าเป็นงานภาวนาตอนนั้นเราก็กำลังยุ่งกับเรื่องเจดีเจดีเรื่องของ มันเ ก, ก็บอกว่าไม่ใช่งานของเรา<ม>ถึงแ่าจะเป็นบุญก็ตามเกิดแต่มันไม่ใช่เป็นบุญสําหรับพระยุทของพระนี่ต้องงานภาวนางานตื่นพิเวกงานเจริญปัญญางานพวกนี้กว่าให้คนอื่นเขาทำเต็เต็มไม่ใช่งานของเรา ที่สับสนเนี่ยพลังที่มาบวชแล้วก็ไม่รู้ฐานะของตนไม่รู้หน้าที่ของตนก็ยังไปทำหน้าที่ของผู้อื่นรือฐานะอื่นอย่างเราบวชนี่เนาะไม่เคยไปดูเรื่องแบบเรื่องอะไรไี่ ง, งานวิชาว่านี้ไม่ไปแตะต้องไม่เกี่ยวข้องไม่สนใจง่ายง่าแต่ ง, งายภาวนานอย่าอ ก็การเป็นพระก็มีหน้าที่ของพระเป็นํารวจก็มีหน้าที่เป็นตรวเป็นหมอก็มีหน้าที่เป็นของหมอแต่และคนมีแต่งหน้าที่แต่ไม่ใช่เป็นหมอแล้วก็ไปนั่งสมาธิคนไข้จะตายนะเป็นแอร์แล้วก็ไป <c oughs> เป็นแอแล้วก็ไปทํางอื่นไม่ได้มพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ของตงน นะตอนตำรวจนี่ก็ต้องเคลียรงานให้หมดก่อนอย่าให้งานอะไรมาเลยพอพอมีงานม า, น า, นานแล้วก็อย่าไปตอบเลยตอนที่เราเดือไปแม้งงานก็มีคนส่งโทวเลขงา น, านชวนจะทํางา น, นเราไม่ตอบเลยเราเผาทิ้งเลยไม่ตอ้ <c oughs> <c oughs> องอะไม่มต้องตบไปมันก็เดี๋ก็เรื่องก็ยาวอีกอะไม่ตอบมันก็เลยไม่รู้ว่าเราแค่นับหรือเป่า นั่นก็ไม่มีไม่มีตา ม, มอาเองงานของข้าก็มีสองงานก็เรียกการถวายพระปริปัจฉนาธุระกา ร, า, ารถวายพระก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปริปัจฉนาธุระ ก, ก็คือการทําให้ยุ้แจ้งเห็นสิ่งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการเจริญมากด้วยการเจ ร, ริญด้วยการปฏิบัติถึงสมาธิสัญญา น, นี่เป็นหน้าที่ของนักบวชเนีย่ยงานที่พระอุปชามอบให้วันแรกก็มอบมาให้ข้าข่านรายละเีส า, ารูลมาหน้าขาันต า, าจักเจเนี่งยงานของพระเนี่ยัศะธรรมฐานเลยวหนแล้วรอยเลยว่าจเนนะ จ, ะจะเาาริญไปเจริญเจสาโูลงมาหน้าขาันตาจักเจสัพพะเก้าสิบเก้าองค์บวชมาแล้ว็อจกบวชแล้วเริ่มอะไรขึ้นไม่หมดเลย ไม่เคยรู้เรื่องเจสาลุมาณธาดานจาตเจโอเลยจถึงวันเสร็จก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาให้ท่องเจจาลุมาณธาดานจาตเจโอทำไมจริงจริงเป็นยงนั้นเพราะว่าถ้าจะเริยนนั่ไม่เสื็จครอกลองได้ถ้าจะเริญเจจาลุมานธาดานจาตเจโอจนเห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรมันก็รู่จะเสร็จไปหาเลย ที่เสกกันตายเมื่กลับไปหาเกษารมานะผมสวยผิวสวยน่ผมสวยแล้ ว, ว, ม, ว ม, มันก็กลับไปหาผู้นี้นั่นแหละแามันเห็นว่ามันเป็นอับสุภาพเป็นเป็นตัิกลงมันก็ไม่กลับไปนะพระอาจารย์ เราเราบวชเราจะไม่สึกน ะ, ะถ้าถ้าเกิดจเจริญได้ได้ได้เห็นเห็นของจริงแล้วจริงไม่อยากจะกลับไป น, นะใจะสันไม่เรกาก็ดีใจเขาจะได้เป็นอิสระมันมันมีได้มีเสียเสียเขาไปแต่เราก็ได้ความเป็นอิสร ะ, ะพอเรากลับมา ถ้าได้เขากลับคืนมาเราก็เสียความเป็นอินสระของเราไปแล้ว <laughs> ให้พอ น, อนะแม่ยะขาวาตุวาหาโุราปะริโุเนติสาลัง เอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏิตังตุมหังพิปังเนวะสุนิจโตจับเทตุเอตุสังกะปาจันทูปัญญะระโสยท้าณิจโจติระโสยท้าสักคิจโตโยวะฉันโตสัพพะโรโวินัสตะต มาเตภวะตนตราโยสุขีทีขายโกปพวะภิวาทานสีนิศะมิจฉมุตตาปจายโนยัตตาโรธรรมาวะฏานติอวันโรสุ ข, ขงังภาลง